ขออัญเชิญพระวจนะในหัวข้อพระเป็นเจ้าทรงเดชาพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในการน้ำมาสการเช้านี้ปรากฏในพระธรรมวิบูลบทที่สี่ข้อหกถึงสิบเอ็ดความว่าและตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมองดูเหมือนทะเลแก้วผลึกและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้นมีสัตว์สี่ตัว ซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังสัตว์ตัวที่หนึ่งนั้นเหมือนสิงสัตว์ตัวที่สองนั้นเหมือนโคสัตว์ตัวที่สามนั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์และสัตว์ตัวที่สี่เหมือนนกอินทรีกำลังบินสัตว์ทั้งสี่นั้นมีปีกหกปีกและมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์ บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาเมื่อสัตว์เหล่านั้นถาวายคำสรรเสริญถาวายพระเกียรติและคำโมทนาแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจคราวใดผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่นั้น ก็ซุดตัวลงถวายบังคมพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงํำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิดและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิเดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ฮาเลลูยาอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งที่เราได้นมัสการพระเจ้าซึ่งทุกๆวันนั้นเป็นวันพิเศษที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า วันนี้เราได้ร้องเพลงหลายบทเพลงและมีทุกๆวัยที่ได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตอนุชนอนุชนนั้นมีทั้งสามวัยครับอุปชนอนุชนอนุชนวัยทางานนะครับแล้วก็มีน้องเวอร์ซันที่ได้ร้องอได้ไดัดเป่าแซกโซโฟนได้สรรเสริญพระเจ้าผู้ใหญ่และ ผู้อาวุโสผู้อาวุโสอยู่ในคณะนักร้องนะครับถ้าเราจะนับอายุก็มากเลยทีเดียวเราขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันที่ได้สรรเสริญพระเจ้าในวันนี้นะครับรวมทั้งพี่น้องทุกๆคนด้วยดังที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเราขอบคุณพระเจ้าพระธรรมวิวรณ์บทที่4เป็นการมรสการพระเจ้าในสวรรค์และเราพบว่ามีผู้อาวุโส 24คนซึ่งเล็งถึงตัวแทนของอิสราเอล12เผ่าและอัครทูต12คนและคริจักรในปัจจุบันทั้งในที่นี้ยังมีสัตว์4ตัวซึ่งควรจะเป็นว่าผู้มีชีวิต4ท่านที่มีลักษณะที่ต่างกันออกไปการนุ่งหผาห่มขาวของผู้อาุโสนั้นแสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้า มงกุฎทองคำซึ่งเลงถึงชัยชนะเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วเราได้ยินพระวจนะแล้วนะครับโซนแห่งชัยชนะนะครับเกียรติยศทั้งหลายและเป็นคำคำเดียวกันกับคำว่ามงกุฎแห่งความชอบธรรมสำหรับผู้เชื่อที่จะได้รับสัต์ทั้งสี่ตัวนั้นสิงห์นั่นเลงถึงความแข็งแรงความกล้าหาญพระบารมี ในพระธรรมกิตติคุณมีหลายท่านได้ให้ความหมายของสิ่งนี้คือว่าเล็งถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นสิงห์แห่งเผ่ายูดาพระองค์ทรงเกิดมาในเชื้อสายของยูดาโคมีความมุกมานะมีความบักบันเป็นตัวแทนของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายในพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้รับใช้มนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ให้มนุษย์เป็นผู้ที่ทรงครอบครองสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและเป็นตัวแทนของปัญญาท่างหลายในพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบังเกิดมาเป็นบุตรมนุษย์และนกอินทรีเป็นตัวแทนของสัตว์ปีกนกอินทรีนั้นเป็นสัตว์ที่บินอย่างรวดเร็ว เป็นตัวแทนของการครอบครองในพระธรรมยอญได้เปรียบกับว่าเป็นพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งลงมาบังเกิดอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายดังนั้นเองในการนมัสการในสวรรค์นั้นเขาทั้งหลายจึงยกย่องสรรเสริญพระเจ้าตามพระลักษณะที่พระเจ้าทรงเป็น 3. ประการประการที่หนึ่งครับสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์บริสุทธิ์ บริสุทธิ์บริสุทธิ์แม้ว่าเพลงไทยน้ำมศการในรุ่นปรับปรุงในปัจจุบันนั้นใช้คําว่าวิสุทธิ์แต่เดิมที่เราเคยได้ร้องกันมาก็คือสรรเสริญสรรเสริญสรรเสริญพระเป็นเจ้าทรงเดชาและมาเป็นสาธุสาธุสาธุและในปัจจุบันเพลงรุ่นใหม่นี้ก็ใช้คําว่าวิสุทธิ์ซึ่งมีความหมายอันเดียวกันเป็นคําสรรเสริญพระเจ้าตามพระลักษณะที่พระองค์ทรงเป็น พระเจ้าทรงมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพระองค์พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงครอบครองพระองค์ทรงสร้างทุสวรรค์และมนุษย์และทุสวรรค์ในพระธรรมอิสยาบทที่หกก็ได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าว่าเซเลฟิมคือทุสวรรค์ที่เป็นทูตแห่งการนมัสการการสรรเสริญนั้นได้กล่าวว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์พระเจ้าทรงชอบธรรมความชอบธรรมของพระองค์นั้นบริบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีจุดใดบทพร่องเลยนั่นเองในพระคัมภีร์เดิมเราจึงพบว่ามีการชำระให้บริสุทธิ์ทั้งคนและสิ่งของสิ่งเหล่านั้นที่มาถวายแด่พระเจ้านั้นจะต้องไม่มีจุดด่างพร้อยเป็นการถูกแยกไว้สาหรับพระเจ้า และความบริสุทธิ์นั้นเล็งถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยตรงส่วนในพระคัมภีร์ใหม่นั้นจะเล็งถึงชีวิตของผู้เชื่อที่จําเป็นจะต้องมีความบริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นเองในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าได้รับการชําระให้บริสุทธิ์โดยการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูกิจเจ้านั้นเราทั้งหลายได้เข้าใจในความบริสุทธิ์เช่นนี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่ เราจะสันเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชาประการที่สองครับสันเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระธรรมสดุดีบทที่หนึ่งร้สตลอดทั้งบทเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดาวิดเข้าใจในพระลักษะของพระเจ้าพระผู้สร้างดีพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์จากผงคลีดินทรงระบายลมปราณให้กับมนุษย์ทางจมูก ดาวิดได้รับการกำเนิดจากคันมันดาและได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักพระองค์เองตั้งแต่ก่อนจะปฏิสนโดยฤทธเดชด้วยการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระเจ้าพระเจ้าทรงทอชีวิตทรงทอกระดูกเส้นเอ็นทั้งหลายเนื้อทั้งหลายนั้นเข้ามาเป็นตัวอ่อนและเป็นเด็กในคันและคลอดออกมาเป็นมนุษย์ นั่นคือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวไว้เมื่อสามพันปีที่แล้วยาโยบเองก็ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงประสาทชีวิตและความรักมั่นคงแก่เราและความดูแลรักษาของพระองค์นั้นได้สงวนชีวิตจิตวิญญาณของเราไว้ในชนชาติอสิสราเอลขณะที่เขากำลังตกเป็นเชลยในบาบิโลนเยเรมีมีความมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด มีความมั่นใจว่าเขาทั้งหลายนั้นจะได้กลับมาอยู่ในดินแดนที่เขาอยู่ในปัจจุบันนั้นอีกครั้งหนึ่งเขาได้ซื้อที่ดินซึ่งการที่กําลังจะแพ้สงครามไม่มีใครที่จะกล้าซื้อที่ดินแต่เยเรมีได้ซื้อที่ดินและประกาศว่าข้าแต่พระเจ้าคือพระองค์เองผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตต์อันละเอียดออกของพระองค์สําหรับพระองค์ ไม่มีสิ่งใดยากเกินนั่นคือความมั่นใจที่เยเรมีมั่นใจว่าพระเจ้าจะนำชนชาติอิสราเอลกลับมาสู่สภาพเดิมและพระเจ้าทรงตอบสนองความเชื่อของเยเรมีอย่างนี้ครับดูเถิดคือพระเยโฮวาเราคือเยโฮวาพระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งสิน้นสำหรับเรามีสิ่งใดยากเกินหรือพี่น้องครับในขณะที่พระเคริสต์กาลังจะบังเกิด ทูสวรรค์ได้มาพบมารีและบอกข่าวว่าเธอจะตั้งครรภ์และทูสวรรค์นั้นได้บอกว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้และคำนี้ก็สำเร็จเราทั้งหลายได้พบเรียสคริต์ในชีวิตของเราด้วยลิขานุภาพอันสูงสุดและเป็นไปตาม ที่พระองค์ทรงเป็นเราจึงขอบพระคุณและสรรเสริญฤทธิ์อํานาจของพระเจ้าและประการสุดท้ายครับสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดํารงในการปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาถ้าพี่น้องบางท่านหรือว่าหลายท่านได้อยู่ในชั้นระวีตามต่างจังหวัดนะครับเราจะได้ถูกสอนให้ร้องเพลง บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเป็นเจ้าผู้ทรงวิธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในการปัจจุบันผู้ซึ่งจะเสด็จมาพระเป็นเจ้าผู้ทรงวิธานุภาพสูงสุดเดี๋ยวผมจะร้องร้องให้ฟังนะครับอาจจะคุ้นทํานองบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเป็นเจ้าผู้ทรงวิธานุภาพสูงสูดผู้ทรงดำรงอยู่ในการก่อน ผู้ทรงดำรงในปัจจุบันผู้ซึ่งจะซาเดตมาพระเป็นเจ้าผู้ทรงวิถานุภาพสูงสูง<ท><ก cho>เคยได้ยินไหมครับอย่าบอกว่าเคยได้ยินตอนนี้นะครับ<ท><ก cho>พระธรรมอุพยพพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระองค์ทรงเป็นคือพระองค์ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตการก่อนที่โลกจะมีมาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และในอนาคตแม้ว่าโลกสิ้นสุดพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระเจ้าสรุดีบทที่เก้าสิบก่อนที่ผู้เขาทั้งหลายจะเกิดขึ้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันการจนถึงนิรันการในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นวันเวลาหนึ่งพันปีเป็นเหมือนกับวันวา น, วนซึ่งผ่านไปเท่านั้นเองนั่นเองผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่นั้น จึงได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่าพระองค์ทรงสมควรได้รับคําสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งปวงในโลกนี้อยู่ในพระหัตถ์อยู่ในการครอบครองของพระองค์ดังนั้นเองท่าทีการนมัสการพระเจ้าของเราก็ควรเป็นเหมือนผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่นั้นที่ได้สุดตัวลงถวายบังคมแด่พระเจ้าผู้ทรงฤิธานุภาพสูงสุดการถวายบังคมนี้ แสดงออกถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าการก้มกราบนมัสการอธิษฐานมอบชีวิตไว้กับพระองค์การนมัสการนั้นมีความหมายว่าการที่เราได้มองเห็นผู้หนึ่งผู้ใดที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญด้วยความเคารพยำเกรงและยังมีความหมายอีกว่าเป็นการจุมพิษไปถึงการจุบในที่นี้เป็นกริยาเป็นการแสดงออกถึงความรัก และการอุทิตตัวนั่นเองการนมัสการของพระเจ้าของคริสเตียนนั้นเราจึงอุทิตตัวเราเองและทั้งสิ้นที่เรามีอยู่นั้นให้เป็นของพระเจ้ากู้อุโสเหล่านั้นได้ถอดมงกุฎต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าเขาถวายชัยชนะทั้งสิ้นนั้นแด่พระเจ้ามงกุฎหมายถึงพวงมาลายัยแห่งชัยชนะความสำเร็จเกียรติและ ใช้ชนะทั้งสิ้นของคริสเตียนนั้นมาจากพระเจ้าจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะถวายแด่พระเจ้าบิชอปเรจิเนลฮาเบอเฮเบอเขามีอายุเพียง42ปีเท่านั้นเขาเกิดในวันที่21เมษายนปี1783และเสียชีวิตในวันที่3เมษายน1826เขามีความสำคัญยังไงครับตอนเป็นเด็กเขาอ่านพระคัมภีร์ตอนสี่ขวบ ตอนหกขวบเขาเริ่มฝึกฝนวยาก์ภาษาลาตินในวัยเด็กนั่นเองเขาเป็นคนที่มีลักษณะที่ทชอบแบ่งปันเขามักจะแบ่งค่าขนมให้กับเพื่อนที่ขัดสนหรือว่าเพื่อนที่มีความจำเป็นกว่าเสมอและเมื่อเขาเรียนจบเขาได้เดินทางไปในประเทศยุโรปหลายๆประเทศเขาเอง ได้เป็นจีนพิบาลขึ้จักเล็กๆในเมืองเฮดเน็ฮอตเนในประเทศอังกฤษในขณะที่เขาเป็นศีดาธิบาลนั้นเขาได้ร่วมทุกข์ร่วมถุกร่วมสุขกับสมาชิกเขาเป็นผู้ที่ให้กำลังใจกับผู้คนเขามีชื่อเสียงในการในความถ่อมสุภาพและเขาได้รับการถูกเลือกและด้วยความเต็มใจ ไปอยู่ที่ประเทศอินเดียและความรับผิดชอบของเขานั้นลงไปถึงสรงลงกาและออสเตรเลียในที่นั้นเขาได้ตั้งพระคริสตธรรมในเมืองกันกตาและเขาได้สถาปนาบิ ช, ชอปที่เป็นชาวอินเดียคนแรกเขามีชื่อเสียงในการาทำลายความเป็นชนชั้นของอคน ในอินเดียเขามีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นและบรรดาสมาชิกนั้นเขาได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสมาชิกในเมื่อเขาเป็นศยิยาภิบาลนั้นเขาคิดถึงว่าเมื่อการนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์สัปดานั้นก็จะมีเทศกาลมีวันละฤกษ์สำคัญต่างๆในวันอาทิตย์ปรีเอกานุภาพ ที่น้องเริ่มงงแล้วใช่ไหมครับวันตรีเอกนุภาพคือวันไหนคือวันอาทิตย์หลังจากวันคืนพระชนครับเราเรียกว่าวันตรีเอกานุภาพหรือววันที่พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เสด็จมานะครับก็เป็นวันที่เขาคิดถึงว่าน่าจะมีบทเพลงสักบทเพลงหนึ่งที่ได้ร้องและเขาก็เน้นถึงการนมัสการที่เป็นเอกภาพทั้งดนตรีทั้ง พระวจนะทั้งหัวข้อเทศนาบทเพลงทั้งหลายควรจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองเขาจึงประพันธ์บทเพลงจากพระธรรมวิวรณ์บทที่สี่ข้อแปดถึงสิบ็ด holy holy holy lord god a l m i g h t y คือบทเพลงที่เขาได้แต่งขึ้นและบทเพลงนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเพลง นมัมการของทุกๆคณะแม้กระทั่งคณะที่ไม่ยอมรับเรื่องตรีเอกานุภาพก็ยังเอาบทเพลงนี้ใส่เข้าไปแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อหาบางคำบทเพลงนี้ได้สัแดงออกแสดงออกถึงความเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวในพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบรยสุดสมิทธได้ให้ความเห็นว่าเป็นเพลงที่ ใช้คำประพันธ์ค่อนข้างยาวมีสี่ข้อนะครับในบทนี้แต่ก็เหมาะสมกับการบรรยายของความยิ่งใหญ่ของความน่าเคารพยำเกรงพระเจ้าคำว่า holy เป็นพยางที่ควรจะสามารถควรจะสํมเพรในคำนี้สามารถที่ใช้คำว่า holy ได้ด้วยเริ่มจากการร้องเบาๆแล้วก็ ดังขึ้นดังขึ้นเมื่อโนต้ตสูงเขาอาจจะร้องอย่างนี้ครับซันเซอซันเซอซอนเซอรครับก็เดี๋ยวสักครู่เราจะได้ร้องเพลงนี้เราพี่น้องลองร้องเบาๆดังขึ้นดังขึ้นเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเนื้อหาของเพลงนี้และนักวิจารณ์อีกคนหนึ่งคือลูดเล่นะครับได้บอกว่า บทเพลงที่นี้บทเพลงนี้ที่ได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายทำให้เขานมัสการพระเจ้าเนื่องจากการแต่งนั้นใช้คำว่าโมลีซ้ำกันหลายๆครั้งซึ่งเป็นการสัมผัสกับจิตวิญญาณของผู้นมัสการการใช้คำว่าตรีเอกานุภาพหรือ Trinity ้ทรีนิทั้งหลายนั้นทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และถ้อยคำในพระธรรมวิวรณ์ที่เล็งถึงการมาสการในสวรรค์บัลลังก์แก้วแพรพันคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์การถอดมงกุฎทองคำเกียรและศักศรีทั้งสิน้นถวายแด่พระเจ้าจึงทําให้บทเพลงนี้มีความชัดเจนในการสันเสริญพระเจ้าและเหมาะสมที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างยิ่ง ในวันที่หนึ่งเมษายนปี1น2 6ขณะที่เซียอธิบาลนเฮเบร์ลได้เทศนาและประกอบพิธีมหาสนิทในประเทศอินเดียท่ามกลางแดดที่ร้อนเขายืนเทศนานั้นเขาเทศนานในหัวข้อความชั่วร้ายเป็นรากเหง้าของการแบ่งชนชั้นวันนะั้นขณะที่เทศนาด้วยอากาศที่ร้อนและท่านเองก็มีสุขภาพที่ไม่ดี ท่านเป็นลมล้มฟุบบนธรรมะและในอีกสองวันต่อมาท่านก็เสียชีวิตโลกลมแดดก็เป็นมาตั้งแต่ร้อยสองร้อปีที่แล้วาศาสนาอาจารย์เรชิโนเฮเบลเสียชีวิตในวันที่ 2, สองเมษายน 1, หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิหกเหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ 42ปีค น, นทวนท่านได้ประพันธ์บทเพลงน้ำมศการทั้งหมดที่เป็นผลงานของท่านที่ใช้น้ำมศการ57บทนี่แหละครับชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าไม่เพียงแต่ในพระวิหารเท่านั้นแต่ได้นมัสการพระเจ้าสันเสริญพระเจ้าในชีวิตประจําวันขอให้พระวชนะของพระเจ้าได้สําเร็จในชีวิตของเราทุกคนอามน